ช่วยให้ไปเกิดดีกว่าเก่าเช่นอย่างเศรษฐีท่านหนึ่งเลี้ยงลูกหมาเอาไว้มันเป็นลูกหมาแสนรู้ทีแรกก็ไปนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้ามาฉันในบ้านตัวเองภายหลังตัวเองก็ไม่ต้องไปนิมนต์ให้หมาน้อยตัวนั้นไปนิมนต์ไปมันก็ไปกราบแล้วก็เห่าป๊อกบ๊อกบ๊อกเตือนว่าไปเถอะ พอพระปัจเจกกับพุทธเจ้าถือบาทถืออะไรเดินมันก็วิ่งนำหน้าจนไปถึงบ้านที่นี้ขากลับมันก็ไปส่งพระปัจเจกจนกระทั่งถึงที่อยู่พระปัจเจกท่านก็มาพิจารณาดูว่าสุนัขตัวเนี้ยมันมาเกิดเป็นสุนัขไม่ใช่เพราะบาปกรรมอื่นใดเพียงแต่ว่าจิตมันไปผูกพันกับสุนัขเท่านั้นมันไม่ใช่เรื่องของบาป เพราะเมื่อก่อนนี้แกเป็นคนใช้ของท่านเศรษฐีเขาใช้ให้ขุนหมาเสร็จแล้วอาหารที่เขาให้สุนัข ก, กินนั่นมันดีกว่าที่เขาได้กินเขาก็เลยคิดขึ้นมาว่าถ้าเกิดเป็นลูกหมาเศรษฐีนี่จะสบายได้กินแต่ของดีๆอยู่มาภายหลังท่านเศรษฐีจัดงานเลี้ยงของเลี้ยงแขกมันก็เหลือล้นเขาก็ให้แกกินแกก็กินสมอยากนั่นแหละ พอเสร็จแล้วกินมากเกินไปก็เลยพุงแตกตายพอตายแล้วไปเกิดเป็นลูกหมาเศรษฐีพระปัจเจกับพุทธเจ้าท่านพิจารณารู้แล้วท่านก็คิดว่ามันน่าจะไปอยู่ในฐานะที่ดีกว่านี้แล้วท่านก็รู้ดีอยู่แก่ใจแล้วว่าถ้าหากทำให้สุนัขตัวนี้ผิดหวังมันก็จะต้องตาย เพราะมันรักเรามากวันสุดท้ายพอสุนัขตัวนี้เดินนําหน้าไปส่งท่านคืนสํานักพอไปถึงทางแยกแทนที่ท่านจะไปทางที่กลับไปที่พักของท่านท่านกลับไปทางอื่นมันก็วิ่งไปสกัดหน้าแล้วก็เห่าเห่าเตือนว่าที่นี่ไม่ใช่ทางท่านก็ไม่ฟังเสียงมันเสร็จแล้วท่านก็กําหนด จ, จิตเข้าฌานเหาะหนีจากมัน มันก็หอนตามหลังจนกระทั่งพระปัจเจกไปรับสายตามันมันก็อกแตกตายแล้วไปเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์เนี่ในลนักษณะเช่นนี้สุนัขตัวนี้ตายเพราะการกระทำของพระปัจเจกพระปัจเจกเนี่ยจะบาปหรือไม่ท่านก็ไม่บาปเช่นอย่างที่เราทำของเราเนี่ยสอนให้เขารู้จักอย่างนั้นอย่างนี้นี่ เราไม่ได้ทำบาปด้วยตนเองเพียงแต่สอนวิชาให้เขารู้เขาจะเอาหรือไม่เอาเป็นเรื่องของเขา